ขอเรื e ่องการได้พักบ่ายนะตอนบ่ายอากาศอร้อนแต่ว่ามีร้อนแต่ายนะใจสงบจริงงานจำง่ายเรื่องเี่เราลองมูชามบุรุษกานีเพราะว่าโลกร้อนแต่ใจยังเย็นเย็นครับผมน้องเพลงแล้วใจเย็น แต่ล้วต้องร้องเพงก็ได้นะใจก็ห็นได้ถ้าเราสังเกตเห็นใจของเราแลใจเคลื่ อ, อในบ่นวนวายปีโยปพาขึ้นมาหรือว่าใจจนการอีความเห็นขันแค่เห็นเฉยๆไม่ต้องทาอะไรก็เชให้บอนรู้สึกๆแค่รู้สึกูเฉยน ก็พอละพระเวลาใจเปนเววยังแข็งอเลยดินไหลบมีชติรุธพันหืออะไรมันก็หยุดฝนมันก็หยุดวนวานใจกลับปติร้อนกายกับใจเย็นไม่ได้เหมือนกับเย็นกายกับใจร้อนอันนี้เราก็คีประสบการณ์ เย็นกายในหนอกแอร์ใจรู้ร้อนอันนี้ไม่ยู่เท่าร้อนกายใจเย็นใจเย็นใจสบายใจสงบสิตาสังเกตจิตใจเราบ้าเราไปรู้อะไรนอกโัวเรื่องกกแล้วำลาตรงรานครับพอเวลามีความทุกข์ ทุกใจเพราะอารมณ์ต่างๆเป็นความตัวนความเศร้าความตัวมันมักจะเลอใจในเดืดส่งสิ่งภายนอกเวลเราลงโททุกบานเรานมันจะไส่โทษสิ่งภายนอก ามานันก็นจมาดีใจตัวไม่ค่อยกลับม า, ามองตรงอันนี้ก็เป็นนโบายของอารมณ์ละอารมณ์เจ็ดอไรนี่ที่อารมณร์ละโสดไม่ใช่ความโกรธความเศร้ า, า, า, า, า, า, าก็เหมือนกัน้เราเศร้าเราก็ใจไม่ค่อยได้กลับไกับตัว่่ เขาไป็นโลกแความคิดรวมกัน นานแ้ด้วยโกรมากเลยโกรสามีเจอคู่กับสามีแบบใครก็ชอบพ่อรู้ความจริเขาขึ้นปูขึ้นเงินเลยนะแล้วก็เลิกกับก่อนหน้านั้นก็เจอพิดว่าเจอรอยไม่ได้แคมหม่หนึ่งท่าแต่ถึงเวลาเลิก ไม่ได้ไม่ได้โวยวายหรือโมตยเลืยๆอชมตัวไม่ได้ว่าฉันเก่งสามารถที่จะเลิกผู้ชายนนได้เดไบือนเลือเพือนเพื่อนเพื่อนเพอเพื่นเพื่อนเพือนเพื่อนเนเพอนเพ่อนกพ่อยเพ่อนเาื่อ่อนเพอนอ่ แต่คราวนี้เนี่ยพอแค่ปฏิบัติวันแรกเธอก็ตุ้ร้อยตุ้มร้อยพอเป็นนักผู้ชายครับนึกแล้วก็โปรแค้งเพราะฉัรู้สเวลาสุกต่อไมันสูญกล่าไป้ผู้ชายเลยเกรธแค้นข้าต้ ร, อ ร, อออรต้ อ, ร อ, อย ทำงไก็ยังหายวันที่สเรก็ยังน้องไม่เคยเป็นเลยนะคมวันที่สามอาลไม่ว่าจะเจออะไที่นั่งกัน้องเาก็มั่นใจนิว่าทำใจไะ้แล้วผู้ชายคนนี้แต่ที่จริงไม่เลย ในตอนที่เีื่อใหม่ๆที่จะมงานการทำหรือก็ไม่ได้เชิญไม่ได้เชาญว้ชาเอกาคอมาปฏิบัติธรรมมันไม่มีอะไรจะทจึงก็เลยจิวก็ไม่สนใจอะไรเลยเป็นอย่างนี้วันที่สี่ยังี่ยปจะมีช่วงหนึ่งจะเดินรตอนเดินโปรต์ต้องมีประสานในขั้นตอน เดิน10ชั ười, ่วโมงมันเมื่อยเมื่อยเลยพอเมื่อยเลจะต้องปล่อยเลยปล่อยเลยเพืมันไมมสบายใจจิตมันโล่งเลทนได้เห็นแล้วว่าปล่อยไดท่ไหร่สบายเาไร่ไอ้ตอนนั้นเวา่ปล่อยมันอะไรบ้า้สบายคยได้เห็นว่ามันพิ่ย คือดเนแล้ว so ่า so ี่ราทุกเนี่ยแล้าจมอยู่กัคดคือตึกระหลังผู้ชายคนนั้นซึ่งีสามคนเกยดลปโดนคดีถึงเขาคือตั้งกรรมที่เมรัยมีเรื่ซึ่งมันก็ผ่านมาได้แต่ก็จิตมันอยกับคดีอันเจ็ดคนเยเคยจรุ่ร้อ อ้เาที่ดไม่ร <Right. S 1> ู้วนะพอปล่อยมันสบายรู้ดวหว่าทุกไปยืดปล่อยเมื่อไหลไปสบายนพอรู้่วนยนะพอรู้ว่าพอรู้ว่าตรงที่ผู้นั้นมันหลุดเลยนะไอ้ความรูร้อนเนี่ยความแคบมันหายเลยเพราะเพรู้ท ก็ร really cool. really ู้สักนนะมันวางมันไม่ใช่เฉพความเศร้าความโกรธถ้าเรารู้ขนาดเท่าไหร่นมันก็เลยไม่ไดเกิดขวงมีนายฐานเคยดนะ รับูกลูก็เรียนแถวไปโรงเรียนช่อดังทุกเพศทุกชนชั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผู้ปกครองรวยกำลังไม่รอดตอนนเผู้ปกครองขับรถไปรับลูก็ถติดติดเป็นติดยาเลยรถลํมากเข้าไป รถติดแน่นพอนะหาทุ่จอดนนานายชายคนนี้เนี่ยจะรถนี่ยนะมันอยู่ติดกันเลยทุกอย่างขยับเขยื้อนนิดๆลองที่ต้องติดก็สายตามองหาทกจอดรถก็เห็นตรงความอยู่อย่งที่จอดรถอยู่อยู่ช่อง ตามวิ่ีกาเรียนเลยนะจะต้องตรงอถึงโรงเรียนวเลี้ยวกับาอแต่ถ้าจะรอให้ไปถึงโรงเรียนและกลับเรช้าและอาจจะได้ที่จอรมูที่นจะทำได้จะเรี้วเลยนเสี่ยงแต่ตง่อ กา่จะตรงไปแล้วก็เลี้ยวหลังจากการทดงจก็มีบุคคลคนึ่ซึ่งเขาเขาเป็นึ้นท่จลมเร็วกันแล้วขาขับตามไปอยู่ก็คือว่าตรงไปแล้วก็ับตรงตรงพอกาเห็นนายายตนนี้ซึ่งเขาไม่รู้จักเขาก็เลย ไปจอไปย่างที่จอของเขาเขาก็ลงมาอแล้วในถานะนั้นเนี่ยไม่เคยถูกใครจอดว่าอะไรก็เลยพ้อกว่าคุณว่าถึงขั้นพูกับเขาเล้วอกผมรู้ว่าคุณเป็นใครคือเขาไม่ถูย่างมากขับร่แบบนี้คือขับเดี่ยวคนเดียวก็เดินหันหลัง กลับรถกลับมาที่รถนาท้ายก็แรอดว่หยิบปืนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาก็ลงมาเดินตามผู้คนครับผู้คนก็ไม่รู้เรื่องละว่ากำลังจะสัมาติ์นาทายก็เดินตามแล้วก็เดินไปดูโู แต่เปนกามลนอันดีนักงานับรถของครให้เห็นใจถ้าแกรู้ว่าแกจะเกดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าต้องทำะบบนี้อย่างถ้ากกต้องมีประสบ ก, การณ์พองพื่อรู้ว่าถ้าแกไปฆ่าตายขันเ้่นี้อยากจะตายตายจะไดเพราะคนกรลัวดและคนถูกฆ่ามความกดจัด เ, เปียเวรเปลี่ยนเป้าหมาย มาเั่นงานอนที่คนลรดวงตาคนละฝันอนละยนถ้าแก่ำไงรับงานก็นั่งทนงานเยอะคุณสติล้วณะก็เจอที่นายชางมันก็ประกานเรยกาแล้วพูดขึ้นมาว่าคุณพ่อครับคุณข้อมาเล่าเรื่องช่ไหครับแต่ที่ว่ายายาจะทำอกไรทแไม่ ก็คุณพ่อเขาอมารับลูกเหรอครั้ไม่ทางก็ไมได้สตินะเพราะได้สตินะความปวดมันดไปเลยนตอนนั้นมันเห็นเยนมันรู้แล้วโอ้ปพอรู้ตัวปดนะควาวดหายไปเลยเพราะว่าผกทักเรื่องว่ามันรับลูไม่ถึงลูกมเห็นเลยนะว่าโไม่ได้ จะไปยิงท่อความตวันหายไปเลยแล้วจาก็อกลับไปที่อทมันเป็นเบก็ไปรับดอันนี้เป็นตัวอย่างทีว่าไม่รัโกรธไม่รับโกรคนที่มตอบว่ารู้โกรผู้ชายที่นอกใจขอรุ่โตัวแล้วก ฟังป่ว ม, มือเดือดการรู้ตัวเนี่ยเรื่การรู้ทันความสำัมากแต่อย่างที่เรามาบอกนะว่าคนเราเราโกรธจิตมันจะส่งออกนอมันจะพุ่งไนคนที่ทำดีคนที่ทำร้าย เมือนกับว่ามันเป็นอุบายของความกรธความโกรมันจะให้จิตส่งกมาขงอกเพราะมันรู้ว่าถ้าจิตเนีกลับมามองโกรธกลับมาเห็นความโกรธความโกรวมันจะฝ่อธรรมชาติของอารมณ์ น, นะเมื่อจิตโกรดหรือเศร้ามันจะพยายามปองจิตปองแต่เราให้นานที่สุคนมรู้สึกในชีวิตที่ต้องอยู่ให้นานที่สุดและอุบายของความโกรธก็คือ ลืมกินออกไปไปต่อถึงข้างนอกสปเท่ยโทษไปต่อว่าไปทุกอย่าความโกรธหรืออารมณต่างๆมันฉลาดมันมีอุบายร้อยแบบที่จะทำให้มันความที่ความแรง เวลาเราโกรธใคเนี่ยจิตมันจะความโวรจะสังจิตเนี่ยราลึกเรือถึงความไม่ดีในนงนเวลาเราโกรธใครมันจะเกิดุ้ึถึงความไม่ดีรเนี่ยีที่แล้วสองปีาี่แล้วสามปีร้อนขาดเรสิบที่แล้วนึกถึงความไม่ดีของานมันก็ยิ่งโกรธยิ่งโกรพอที่โกรธเขาไม่พอกดเนี่ยกรเพื่อนไปถึงความไม่เพื่อนความไม่ดี อหัวข้อแรกยิ่งเราเึียนความไป่นจริงเราจะทำที่นี่โกรธมากหร้ือจาเติมไฟเติมเชือไปในกองไฟและมันจะพยายาจะให้เราเนียรอเล่นความกดดัน บางคนกวัวกลัวว่าจะลืมโตก็ต้องอยาจดจาคนที่ทำให้ีกเราเห็นชื่อลงไปอีกข้างฝาติดกระจกต้ที่สักด์ที่ข้อมูนี้นข้ออะไรกัว่าจะหายจ บ, บนะความรมสั่งให้สัตด์ว่ามันจะได้จบต่อไปอย สั่งเราให้ด่าสั่งร้ทุกวันมือคนนี้นดากวที่ด่ามาโดยถามว่าทาไมเขาบอกว่าต้องรีบด่าเดียต้องรีด่าหาที่จะหายโกรต้องรีบด่าห่จะหายโกรคือถ้าหายกรแล้วมูดได้ออกก็ด่านม่้ฟังผมคำสั่งเลยนะต้องรีบด่าดันั้นถาไมถ้าหายโกรลนพูดได้ออก ม, มันจะสัาเหตุผลมาผู้่อที่จะที่จะสสเราเนี่ยด่าต้องด่าเพื่ออะไรเพื่อสั่งสอนเราหรือบานต้องตอบเพื่อสั่งสอนมันจะให้แหกผลท้ายห ร, รือมาลองจำได้ไหมท่วดีโอเยคยเวดีโอมันที่ผู้ชายเป็นนีแกสัววบรต่อเ้าอยู่เสร็จแล้วก็มี มีรถร์ไซคเนี่ยครับทีเฉียวชนอยู่ข้าหลังหลังายรถกระบะและผู้ชายรถกรับะที่บอยที่เปชนโดยเฉียนทีแรกเป็นคนของมไม่รู้แต่ก็ขับรถเลยเลยแต่ตอนหลังแกรู้ตัวว่ไม่ถูกจัก็กลับเจ้าผมรถซุกแกงนั้นเนี่ยที่น็อตไปดูบ้างแกลับมาต ก็ไปล่าผู้ชายชั้มอมเนี่ยมาแล้วก็มาดาแล้วก็มตกตบแล้วก็ต่อยระหว่างในที่ต่อสู้เรากว่านี้ทาไมนี่ทำไมนี่ทาไมหรื อ, อตั้งใจจะสังสอนอะไจะสั่งสอนว่าคนเลอ ย, อยนความโกรธเนี่ยนะมันจะสั่งเราทำร้ายคนอื่น โดยอ้างเหตุผลบับเพื่อสอนสอนไม่นี่เหตุผนลนทางานะเพื่อจะให้เราพูดการาำราบางคนบอกว่าต้องดา่าตายไม่รอดถ้าไมด่าทิพย์หายไม่รอดขอให้ความร้ายความกลัวสัง่งแลว้วเราก็เชื่อ บาทีไม่มีเหุผลเนี่ยมันก็มันกสังให้เราด่าแล้เพราะอยาต้องรีด่ตานที่มันจะหายโกและเวลาเวลาจะมีใจปราจะมีธรรมะแนะนําให้เราใส่ความโกเช่นตัวมัแนะนําว่าแค่ ความปส่เราเนี่ยว่ า, าเพราะถาเาตามนนั้นเนี่ยความปวดจะคลองติดคลองันไม่ได้ ท, ทันทีที่เราแฝงใจใความปวดก็หมดหมดทางธรมะอีมันอยู่ไม่ได้ความปวดก็จะสั่หาทําให้เราว่าผลที่มันแนะนาเราแฝง เงียมากไันนั่งจสแล้วแกเป็นคนที่มีสุภาพมีน้าใจเพื่อเพื่อเพื่อแต่แต่เวลาแกได้หนผู้ชายคนนี้มันจะโกนมากเพราะว่าแกเคยช่วยเขาแต่ว่าเขาในหัวคนไม่มเห็นความีรุงใจไม่สนใจความจรังใจมัมกจะรื้สับหลับ จะโกรธก็ถึงนึกถึงทีไรจะโกรธมากเลี่ยนกงความกดดันที่ใส่รุนแรถามว่าเรื่องเกิดเมื่อไหร่สสปีมาแล้วแต่ยังไม่ยอมพายความกดลูกสาวก็งเรว่าแม่จะโกรแบบที่เคยเลยอาจจะเสินอสมตาพหรือที่แน่หรือไม่ก็ตายอพาร์ทเพราะว่ามีเรื่องอันตราย แม่ลูกสาวทำงานลูกษาวได้แนาแม่แพทย์ไโห่แม่โกรลูกสาว ม, มว า, ว, าว่าลูกสาวราบอกว่าลูกสาวกาลังมาแย่งชิงของของหวงใหรกันได้ไอความโกรธมันหน้าหลงหน้าหนยทไหนลูกสาวไม่ได้มาขอมรดกไม่ได้มาต่อที่ดีนไม่มาแย่งแพทย์พร แต่แม่เนี่ยโหมแหงความโกรดลูกสาวมัแนะนำให้แม่ให้ใแม่โกรลูกกลายเป็ว่าความโกรธมาสั่งให้เราเป็นคนขยันรักที่ทัก้าและความโกรธจะสั่งเป็นคนรัที่ทักมใครที่จะทำให้เราหายดหดเราจะความโรธมาสั่งให้ด่า มันชัหานมากและกดมันไม่อยู่นคมมัไม่อยู่นะกดคมมันมันก็ซุกซ่อนแต่ไม่หายไปมันโผล่เมื่อไหร่ก็ไม่เวลาเรามีสติดีเนีมันก็จะหลบแต่เวลาเราเราสติอ่อนหรือเราเผลอมันก็โผล่มามันมันเหมือนกับตพวกนจอมยุทนั้น นับวชตอนเรียนมึงก็จมีหลักว่าก็มีกฎเกณว่ามึงมาฆ้ามึงถึง่าใหญ่มีแย่ฆ่าตีมึงหนีฆ่าตาเวลาเราเนสัติเรรวจผลความปวดได้เวลาเราเปินแลความโวดก็เล็งอางมันฉลาดว่ามันมอุบายบางอย่างเช่นเดียวความเศร้าเวลาเราเศร้านติดันเป็นส่งออกนอก เราก็จะมอยู่กับเื่าวใอดีตหรือตรงบนเรื่คนที่ทาให้เราเศร้าโสียใจและเวลาเศร้าเนความเศร้ามันสั่งเราเจ้าจุกเพื่อจะเร่งโจมตีลงไปในความทุกมันจะย้ำถึกคุยเรื่องราวที่ทำใเราเศร้า คเวลาออกักเนตมันจะมันจะย่ำแย่ไปมากจะขึ้นว่าฉันไม่ดีฉันเมากนาฉันเ็ไม่คุณค่าไม่มีใครจในรงฉันเลยมันจะขึ้นชื่อว่าฉันเป็นคนไม่มความเศร้านี่เปติดใบความเศร้าที่มันจะทาให้เราลม่งตรงอำนาจมาเวลาเศรา เราอยากฟังเพลงอะไรเพลงสนุกมั้ยไม่ใช่เวลาเราเศร้าเาอยากฟังเพลงเศร้าทั้งนั้นแปนะเวลาเศร้าอยากงเศร้าฟังเพลงเศร้า็าอะไรเพราะว่าความเศร้ามันนมันึกไปลึกลึกลึไปถ้าเราฟังเพลงสนุกแล้วความเศร้ามันหายมันไม่ยอมันกลัวมันจะตองหน้ามันจะสั่งให้เราวามเพลงเศร้าเพความ คือความสร็จประชาชนที่ไปฟังไปฟังในเฟซบุ๊กเศราแลจะไปไหนม่ไปจะไปไหน็คนที่ช่อไปไหนที่เไปนะ่ยเวลาเราเศร้าเรากผาบเวลาเสีใจคนรักงกายกลับไปก็จะนั่งเก่าใครมาชวนความเศ้าบอกแยาไปแม่ก็จะชวนเชื่อแล้วความเศาบอกอยากไปก็งไปเราจะไหนเศามีเพื่อนมาคืนเป็นผู้หญิง่20ปีที่แล้ว ฉันไมชอบผู้ชายแต่ว่าตอนีเาได้อยอางไรจากเพื่อนชายคนั้นน้าเสียงของของผู้ชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้ดีทีค่าว่าโง่เขก็เสียใจโอปาน้อยก็นั่งซื้อน้ำยาจดายสมัยนั้นเราไม่ีเมีโทรศัพท์มือถเขาเียนะทจมายเขาก็นั่งเศร้าสึม ก็บังเอิญเพื่อนส่งมาหาิวเธอติดล่าเขาเลยกดปีแล้วก็ตะโกนเรีย ก, ว ก, ก, กวชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินเสียงเพื่อนนละ้วเรียก้ไปเท่อเลยนะเธอช่วยด้ว น, นะดในใจเวลาจะสุกก็ไม่สมบงเวลาจะทกขคนมางคับความในจมูกของสาวผิ กูบายแล้วแต่อารมณ์สมนี้แต่จิตอ่อมันมีอย่างหน่มันกลัวมากนะกลัวอะไรกลัวถูกรู้ทันกลัวรู้ทันรู้ทันด้วยะอะไรด้วยสติทันทีที่มีสติรู้ทันนั้นมันซอแล้วมันแค่ทาน แ้าเขาเป็นตัวเรารู้ทันมันมันกินยาดึงติดเราไ้ให้สมองพ่าอยากกรมมองตนจะกำมามองตนเพราะถ้าเราเอาจิดกรมมองใจเนี่ยติเหตมันกลัวเอาหลอกที่สองมันกลัวกัวที่เราจะรู้ทันรู้ทันด้วยสติ มันอก่อจนะสมมูลใชหรือว่านักยองบาเนี่ยที่แอบมาเข้า ม, มาในบ้านเพื่อจะขโมขอทงทันทีที่มันรู้ว่าเจ้าของบ้านหรื อ, รอทั่นทีที่สบตากจ้าของบ้าน ม, มันจะเหนเะจ้าของบ้านเนียมันทาอะไรพอมาสบตาเจ้าของบ้า อารมณ์วัสดุเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นคนโง่ที่รักขมามในบ้านมันกลัวเรารู้ถันมันกลัวจับเหยี่มยมหลวงพ่อเอยาใจให้บอกว่า่ยให้ฝึกจับเหยีกับความคิดแรกอยไม่ต้องทำอะไรมาแค่จับเหยี หรือว่าปากหน้าปากมันมันหลบไปเลยชั้นสอนเรื่อให้รู้ซื่อหรือว่าไม่เห็นเห็นใจเฉยการจราสติมันี่ยหรือว่เทียนเนี่มันก็มีหลับว่ารู้ใจเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจเฉยแค่เห็นหอย่าอ่อนนไม่ต้องไปกดผมอะไรมัน เมื่อความมืดเนตัวแสงสว่างความมืดเปตัวแสงสว่างเวลาเจอความมืดนเราไม่ชอบความมืดเราไม่ต้องไปขับไล่ความนี้เราเพียงแต่จุดไฟเราเพีต่ดเทียนแล้วความสว่างความเทียนจะไปขับไล่ความ อ, อารมณ์เศร้าโกรธเสียใจอะไรวิตกกังวลเครียดหงุดหงิดวันนี้เราไม่ต้อะไรขับไล่ไห เพียงแต่เติมสติเข้าไปหรือว่าสร้างความสุขตัเข้าไปเนี่วสติความสุขตัวมันแตาหรวงปู่ตูนี่บอกว่าไม่มีใครใส่เข้าไปรห้คาแน่อมีแต่ลุกลับมันแล้วมันก็ดับไปเองหายไปเองกาเห็นเห็นความที่อารมณ์เั็น มันทำไมหายหลบเห็นนิยาย่างก็สำคัญนะเห็นความจริงหมายความว่าอะไรเห็นความจริงเห็นความเดียวเห็นว่าทุกอย่างไมเที่ยงมันเป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไปแล้วหานไปหรือเห็นว่า ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาเห็นอย่างนี้ก็สำคัญตรงที้เราเห็นความจริงเมืเรามาวาัดเนี่ยหรือนับถือพุทธศาสนาตตางเราถสอนว่าให้หมั่นทำความดีเรามาี่เรื่องามปฏิบัติธรรม เพร า, าปฏิบัติธรรมเนี่ยอาคัามภัณธรรมะนี่มันมีความหมายสองอย่างธรรมะเรความดีไม้เความจริงถ้าความดเราเรีกทยธรรมถ้าความจริงราเกัพธรรมธรรมะของจีสองศัพธรรมกับวิยทยธรรมตอนที่พาอัศลุกกับอัสลุศัพธรรม ในคืนวันวิสามบูชาแล้วก็เสนอวิธีการอรนนิมัญญองแปลอันนี้เป็นความดีที่เราต้องหังทำเราทำความดีอันนี้ดีให้ทานรักษาศีลแต่ไม่พอนะความดีเนี่ย มันช่วยรักษาชนของเราให้ปลอดภัยทำให้ความทุกเนี่ยมันห่างไกลจากาชีวิตของเราถ้าเราเพียงแค่รักษาสี่ห้าความทุกมันก็จะลดร้อยลงไปเยอะเลยเพียงแค่เราไม่กินเหล้า อ, อุปฏิเนร์ก็ดีความเจ็บป่วยก็ดี ครอบตัวแตกแยกก็ด really ีมีคดีความเกิดขึ้นมาจะเราบอกไหมว่าทุกคนที่มันมัญหายดีเพียงแค่เราถือสี่หาก็ดีมันจะลดความเหลือเลือร้อนใจแล้วก็เห็นได้กยต่างๆมาได้ยอะความดีเนี่ยเป็นมือกับตังแคนที่คอยป้องกันความทุกข์ไม่ให้มาถึงตัวเรา แต่ว่ามันไม่ได้ป้องกันร้อยบปอร์เซ็นต์บางทีไม่อาจป้องกันความคุกหรือเรื่องอื่นเรื่องร้อนใจได้ 100% ยเอาจจะป้องกันได้สัก7 0็0แต่มันมีความคุกประมาณ 10-20% ที่ยังผ่านเข้ามาถึงตัวเราได้เช่นอะไรเสี่นความเสีนความัคุย ความสูยเสียพัก้าสูญเสียของรักสูญเสียคนรักทำดีแค่ไหนก็ยังต้องเจ็บต้องปวดใช่ไหมทำดีแค่ไหนก็ยังต้องสูญเสียคนรักอาจจะเริ่มจากผู้ญาติญาติครอบครอไแม่เพื่ออันนี้เป็นความจริง ทำดีแค่ไหนก็ยังต้องหนีไม่ด้นทำนินทาว่ารายขณะผู้จ้าเนี่ยไม่เคยคิดร้ายต่อใครเนยส่ตนสายเายไม่ใช่แค่สายแรกเท่ามองรายแล้วเล่นหนักมากเอาถึงตายอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะทำดีแค่ไหนก็ตาม มองคนไม่เข้าใจนะไอ้คิดว่าทำดีแล้วต้องไม่เปดไป่วยพอป่วยขึ้นมานะก็จะตีวทตีาบทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นฉั้นทำความดีมาตลอดชีวิตนี่ขนาดเราเป็นรชนเนะี่ยังบวนนี้เลยพระอรหันต์เนี่ยทนะ่านก็ป่วยตายพระลูกจ้างาก็ป่ว ย, ยจนไปทนนิพพาน แ้าเราเป็นใครถึงที่ว่าเราจะไม่เก็งไุ่เกงเราเพงก็ทุกขใจกู้ใจว่าแฉันทำความดีแต่ทำไมคนห็นความดีของฉันฉันทำความดีแต่ทำไมถึงมีคนมาใส่ร้ายฉันคนที่ถึงแบบนี้ก็เพราะไม่เข้าใจความจริง คือไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นอุรรดฉะนั้นทำดียังทุกนะถึงแม้ความดีมันจะช่วยป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดขึ้นกับเราบ้างวางตามประการแต่ว่าก็ยังทุกขทุกข์ใจเพราะไม่เห็นความจริงแล้วคนดีทุกก็เห็นนี้มาก มีผู้ชายคนหนึ่งนะแต่ก็เรียกว่ารักษาสีลนะั้งแต่อยางเป็นหนุ่มแม้เที่อนส่องมาไปดื่มเล่าไม่ไปเทีกันงคืนแล้วแต่ก็เข้าวัดทำบุญให้ทานแกก็ทำมาตลอดนะยี่สิบสามสิบปีด้วยความเชื่อบุญนี่นะ จะช่วยรักษาช่วยทำให้ใจมีอายุยืนไม่เจ็บไม่ปวดมีโชคมีลาแล้วนี้เราก็เป็นตุลาเรยอายุแค่สีสิบปับเป็นอะไเรจะโกรธมากเลยจะไม่ใช่แค่พูดโกรดโปวดว่าอะไรปวดว่าอะไโปรดก็ทำไมบุญไม่รักษา กาคำบุมตั้งเยอะในความหวังว่ามันจะทำให้จะมีอายุวันนัน้ขสันต์แต่ทำไมเป็นตัวเอ ง, งกัดจกสุกโดโกรธเมื่ถูกหลอกแล้มีคยยาวามสุขเลยเพื่อยุดโมโหตอนเวลาที่รักษาตัวกนะ็มีแต่ความโกรธผิดวัง และก่อนตายก็ตายไม่เสร็เนี่ยเขาจะคิดว่ายังไม่เข้าใจความจริงว่าทำดีแค่ ไ, ไหนเนี่ยมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บนี่คือสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับทุกคนอย่าไปคิดว่าทำดีแล้วจะได้เก็ดป่วยทำดีแล้วจะต้องยืนยืนเสมอไป ความพัก่านหอกันความสวยสวยเหมือนกันนะมเป็นธรรมดาเมื่อสัก 50-40 ที่ววามันจะไฟไม่ใหญ่ที <up> ่จังสวัดชลุรนะก็มีบ้านเพลิงู่เขาถูกไฟเขาเป็นร้อยของซีนธรระดาไปต็ทางก็มีหลายคนี่ พูดเข้าถึงหลพูด ด, ดูท่านวัดน่านศดีกลางนุาิศรีแต่วัดโป็นไฟเขาพูดเขานบนเขาพูดว่อย่างไรเขาบอกว่าเนี่ยนหอเนี่ยพ่อแม่ปูย่ย่าตไปายทุกคนทำบุญพ่อแม่เขาก็ทำาดูตัวเขาเนี่ใส่ร้าสันกัทานก็ทำผ้าป่ากระจินไม่เคยเบ้น ทำตลอดทำไมทุกครังมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ผูไฟไหม้ทาไมคุณไม่รักษาทำไมไม่ยอมรองต่อไปไม่เข้าวัดละสมิงเลยนะแต่คนที่วำรูนี่เยอะเนีพยคอเจ็บได้ไม่เข้าวัดหลวอปู่ ท, ที่าได้อยู่เนี่ยเนต้ว่ า, าไในอน้าที่หัวงพ่แล้วถ้าเราบูต่อไปว่า ความเสิรร่อมความวิตกความกระการความสูญเสียเป็นธรรมะกระจโลกคนที่รู้ธรรมะคนที่ทมีธรรมะเเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ทำยางไรใจถึงไม่คุณจะไม่ทุ่อันนี้จะทำให้นหน้าช่ขขวมมยมาธรรมะทางให้มีหน้าที่ ทำให้คนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หิวไฟไม่ไหมเข้าใจนะทำมานเนี่ยมันเ็นวิรักษาใจไม่ให้ทุกข์เมื่อเกิดความาข้าสูงสเมื่อเกิดความเจ็บความปวดนน เ, เป็นต้นดังนั้นเพื่อทำ้านเนี่ยต้องกานไม่ให้เกนะิดอันตรายกับเราเพราะบางทีเนี่ยเราเร า, ารัารรากษ า, า, า ป, ปวดยังไงเราดูแลร่างกายไงเราไม่ใเจ็บป่วยเราดูแล ป้าเรือรริที่เกิดไฟชอบไฟไหม้แต่ถ้ามีอรรมะเห็นความจริงเข้าใจสัจธรรมเหตุาการณ์เหล่านีน้เกิดขึ้นมันก็ไม่ทำให้ใจมันเกิดกับตัวมันเกิดกับซักแต่ว่ามันไม่ลาเป็นผิจใจ ก็มีกำแพงกำแพงก็คือความเข้าใจหรือกัรเห็นความจริงทำความนีเป็นกําแพงชั้นนอกป้องกันไม่ให้ความคิดเข้ามาที่เลี้ยงแต่ที่มีความคิดโตเข้ามาข้ามเข้ามาแต่ถ้าเรามีกำแพงชั้นในกำแพงคือปัญญาหรือความเข้าใจหรือความจริงเนี่ยมันก็จะปกันไม่ให้หมาทะลุใจได้ทุกแต่งกาย เสียใจสักแต่ใ จ, ใจไม่ทุกเพราะเห็นความจริงเพราะร่วมเป็นธรรมดานี้มชาการเรี่นนะจะมีช่างไฟและววันนึงเราเกิดปฏิเหตุไฟไฟไฟสงูงมันไปนถูกทีก่ต้นขา ในฝ่ายแรงสูนยก็เป็นพันรปนอยู่โมจะไม่ตายแต่การตัดขาตัดขาที่สองข้างกายเป็นคนทการกอดชีวิตที่การได้ใ น, ในไม่นานเท่าไรก็ว่าภรรยาก็พิงก็ฝันลองดึดน้โหเสียขาแล้วนยังเสียทรรยาเราจะรู้สึกอย่างไร บางคนก็คิดว่าปเป็นเพื่อน ก, อก่อนโาล่ลงามางความดีทำไมต้องม า, จาเจอแบบนี้แต่ผู้ชายไม่ใแจไม่ได้มีความรู้สึกทุกหลังนล้วเองนะมีคำถามแกว่าคุณรู้สึกอย่างไรที่ภรรยาคือคุณไปแกบอกว่าผมไม่รู้สึกอะไเรเลยคุณที่อยู่ซีนไม่ขางขสองข้างมันยังไม่อยู่กับผมเลยแล้วใจเมียอกับผมไดนะ้ยังไง ตอนนี่แกเสียขาสองข้างจกได้เห็นสัาระไอ้ขาที่มันติดมากับเราแตกิัเนี่ยวันนีคืนนีก็ต้องตัดทิ้งตที่แกเสียขาสองข้างมก็ไม่แกเห็นมันไม่เปอะไรที่เป็นของเราแม้แต่ขาที่ติดมาตั้งแต่มันก็ต้องไปถ้าไม่อยากมันไปก็ต้องตาย บางคนลวงแขนโวงขาตาพังกูขาพังกูถนะขาน่ารูไม่ยอมรู้ตาดถึงกัตาถ้าอยากอยู่ต้องยอมเสียขาตาที่แกเสียขา็นพจะเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรจรงของเราเพระาะฉะนั้นพอภรรยาทิ้งไปแกก็ไม่รู้ เพราะมันไม่อะไรเป็นงเราผู้จ่างอยู่ับเราเีโนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรมที่เราต้องเห็นและถ้าเราเห็นนะเจออะไรใจก็เลยคุมันหนึ่กแจกดารามาหมายใหไปเยี่ยมไทยทุกเดือนที่บ้าน หมอก็ขอดูประวัติองผ่วยอ่านประวัติก็เป็นหนักใจเพราะ้ป่เป็นผู้ชายอาย40กว่าเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งชนี้เกิดขึ้นน้อยนะหมอกลับใจว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันทาให้ปวดมากแล้วเขาจิตใจแย่ใจเาว่ามันจะ็นแผลที่ใบหน้าแล้วก็ผู้ชายนี่แผกใหญ่ด้วยนะมันตีไปถึงสมูกแล้วปากต้องหา ถ้ามา ป, ปลอกเอาไว้คนี่มาเลีเล้ยงไบหน้าจะออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะว่าแผลมันจะมีอคทเรียกระแสมันไม่ปวดมากต้องเก็บตัวอยูน่นที่รงแล้วต้องมีมา่านคอยปิดไว้ให้แดดส่อง ต้องปวดใจแล้วก็ปวดต้องปวดใจปวดใจที่เว่าเจอคนไม่ได้สุเคยมีที่หลังเกิดต้องเก็บปืในที่แคบแคบหรือว่าที่ที่มันมืดมืดเพ่อยู่คนในอเมริกาคนที่คนที่เป็นเร็งเชื้อเนี้ยหนึ่งในสี่่าตตาสูงนะยี่สบหอรมอก็หนักใจเพานคนไขแบบนี้มันต้มีคนไข้ท อารมรุรานขาดเกลียวจะติดพลาดเมา่อพอไปถึงเนะี่ยไปที่บ้านคนไข้ก็ถามว่าหมอเป็ น, น, ย, น, น, ปนยังไงเวลาคนไข้ถามหมอึ้นก็คุณจะมีกาแสดงว่าคนไข้ใช้ได้ถ้าคนไข้ถาหมอมาทำไปไม่ไดอย่างนี้ต้องระวังตัวคนไข้ครนี้เนี่ยไม่ได้มีอารโเกลียวอย่า ง, งาที่หมอคาดคิดอารมณ์ปกตเลยนะ และขานก็นมีโอภ า, าสาคือไปคยมาแกก็บอกว่าเหมือนกับจะยอมรับว่าชื่เป็นคนเองก็ แ, กบกแก่บอกว่าตอนจะหยุแกก็ที่เล่ามางอย่าง่าเม า, มาหัวรงังนมีเมียก็มีเมียในลูกก็ไม่ได้สนใจจนกทั่งลูกเนี่นออยจนกร่งมีลิกกอดใจแล้วลูกก็ดีอ แกพูดะ่าเป็นยอรอที่แกใช้ชีวยตกบนี้มันจะเป็นอะไรแต่ั้นไม่ใช่เป็นคนสำคัญคนสำคัญก็คือแกเล่าว่าตํนนันแกลเกกล่นเรืกกร่องอะไรนอกจากว่ารคกมะดูกอ่อนที่คลองที่แกดีเป็นพิเศษคือ CNN CNN เนี่ยมันจะมีข่าวยี่สี่ชั่วโมงและข่าว CNN ที่แกเห็นนีนก็เป็นเรื่องโรคกระบา วางกำโดดแทนที่ไว้ในธรรมชาติสงฆราความดปดดันท่รุนโหยได้ดูลูกไก่ก็เด่นชดแล้วโดดปลาชุา่มหนึ่ธรรมดาของมันเลยไม่ว่าชาติใดภาษาใดมันก็ทุกขชื่นนเสร็จแกก็ย้อยกรรมกรเคว่าไอ้ปาติดโคลที่เราเป็นธรรมดาของมัน น, มนีน่มันไปส่วนของสียเจาช แกดเสร็จแกก็ยอมรับเนะแกแกก็ยอมรับเลยในการที่แกยอมรับว่าความทุกข์แเป็นธรรมดาทาให้แกเนี่ยใจมันมันเบาทั้งที่มันเองจะเป็นไปปวดแต่ว่าใจแกไม่ดิ้นก็ยอมรับแกบอกว่าแกพยายามใช้ทีวิเนี่ย แต่ได้เวลรายนึือนกับลู้ได้เงนาเพาจะันก็ไดู้กับลูเลยแกไม่กปวดตายแต่แกช่อยู่านที่สุดเพื่อได้เงินรายเดมอบอแได้เงิสามหกวาเกลวก็เกได้เก็บปีไอตอนที่กวดแกก็ไม่ได้ได้พูดทรมานตอนตายแกก็ตายสม่ำเรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ที่จะมาพูดเข้าวับฝ่ยความุเยอะ แต่ก็เป็นอะไรวนวายไ o วนไปมาทุกความตายก็ทุกตอนจะตายไงก็ตายไม่สิ้นสองคนที่แตกต่างกันขนาดนี้คนยอมรับไม่ได้ก็ตื่นเตนลยอมรับได้ยอมรับว่าอะไรอนไรธรรมดาความติดตัวธรรมดาของคนทุกคนคนไตวัดลอย แต่ว่าไม่เห็นคำว่างสําคัญนะหลายคนเนี่ยไปวัดกอดอยากไม่เห็นความจริงอาจจะไปวัดอดอยากจะได้ดูจะได้มีความสุขความเติมเตมีอายุวรนละสุ ข, ขะละบางคนถึงได้ไปวัเวดเลยเรื่อขอพรแต่ว่าได้ความว่เห็นความจริงสัจธรรมไม่ทรมารอตปวตายก็ตายกสิ้น การที่เราเห็นความจริงนะมันได้เรายองรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้จาเรื่อราวผู้ชายนะที่คนที่เป็นมนเร็งคนที่อาอุ32เขาะว่าความจริงปวดร้ายแต่สิ่งที่ปวดร้ายกว่าก็คือการไม่รับความจริงพอเราจะยอมรับความจริงได้เราก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดา เราเห็นความจริงว่าเกิดมาแล้วก็ต้องเกิดต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ทีเ่เรียงมีกับหมดเป็นของคู่กันเจอกับจากพบกับพลาดเป็นของคู่กันนั่นก็เลยตอนี่เดนนี้นะเวลามีเราก็ไม่เหลือ เวลาหมด เ, เราก็เลยไมเวลาสุขภาพดีเลาก็ไม่กังวลเพราะรู้ว่าสักวันก็ต้องแปลเปลี่ยนไปถึงเวลาเกิดป่วยก็ได้คิอย่าไปคาดหวังนว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอเวลาหลายคนนี่อยากได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตก็เลยไปทํางินททท ได้มีโชคมีลดาบางคนตอนอธิษฐานเราขอให้เจอแต่เขาบอกมี่รื้จับกับไ่รือจับกับคำว่ามหมดแต่ได้เจอแต่ไม่มีเลยอธิษฐานได้แต่ความจริงมไม่ใช่อย่างนั้นแม้แต่พระเจ้าไม่ต้องป่วยต้องไปอธิษฐา เราจะคาดเราให้มีการมีสิ่งทีอยู่ที่เรากอตอเวลาเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งไม่มีอึ้นที่ในในเราไ ป, ป, ป, ป, ค, าป ค, ความเจ็บความโศความขัดามควารติดตาว่าหลาหอแต่ถ้าเราเห็นความจริงไอ้สิ่งเหล่านั้นก็ทำให้ติดใจไม่ได้เจออะไรก็ไม่สำคัญสำหรจจัใจจริงหรอเป่ จะไปหวังจะไปพยายามทำให้เจอสิ่งดีๆเราไม่สามารถจะเจอสิ่งดีๆทุกวันและขวัดชีวิตยังไงก็ต้องเจอสิ่งดีๆบ้างไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใจเาดีเจออะไรใจไม่ทุกข์ใจดีดคืออะไรข้อแรกคือมีสติรู้ทันอารมณ์ที่เกดิดขึ้น เวลาจำควาเพื่อนะเวลาจำคิดฟุ้งกลุ่มแต่งรู้ทันอันนี้ว่าเห็นความคิดรู้ทันจิตอันนี้สองผู้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมเราปฏิบัติธรรมยังควรตั้งเป้าไว้ได้สองอย่าง เพราะะการปฏิบัติธรรมก็เอาุญแต่ไม่รู้บุญจึงเท่ไรบุญที่ถู ก, ก็คือว่าปฏิบัติแล้วเนะี่ยรู้ทางจิตเห็นความคิดและสองเห็นความาจิตเห็นสัจธรรมแลเกิดอะไรขึ้นกับเราเนะี่แม้จะร้ายยินไป แถมแประโยชน์ได้ประโยชน์ว่ามันกําลังสอนทำให้กับเราหลวพ่าถือว่าสอนว่าขั้นตอนอะรต้องรู้จักเฉลิการชฉลิการรู้จักนะประโยช น, น, น์จากทีาการที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหรือที่เกิดกับการกับใจของเราเหตุร้ายมันก็เป็นประโยชน์ อย่างผู้ชายคนที่เสีย ข, า, นะขาเสียขาก็กินงแต่ได้ธรรมะได้ปัญญาไปไม่ได้เป็ น, ป น, อปนของเรานะแต่บางคนเนี่ยือส่วนใหญ่เนี่ยเสียขาไม่พอเนนะสียใจอันนี้ซ้ำเติมตไปเลย ไฟชอบที่มันช่เสียขาแต่มันไม่ทำให้เสียใจหรือนอะไรใจอย่างสิละเมื่อเสียแล้วเนี่ยก็เสียอย่างเดียวที่เสียขาอย่านะให้เสียผู้เสียคนหรือว่าเสียความสุขนะแต่ถ้าดีกว่านั้นนกะ็คือว่าเกิดปัญญาในราบ เมือ่อปี54มีน้ำู่วมใหญนะ่นะทางภาคเหลือกับกรุมเทศก็มีคนเป็นล้าเลยนะโดนน้าพ่วมสูญเสียทรัพย์สมบัติมากมายบางคนเสียทรัพย์อันทรเสียจติดลบบางคนไม่ใช่แคเสียติดลบนะเสียชีวิตก็ฆ่าตัวตายแต่มีคนนึงนันะ แกก็เฉยๆแกไม่ทุกข์แกก็เสียเยอนะแล้ว่ก็บอกว่าน้ําพวมครานี้มันสอนให้แกได้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราอยู่แท้ทีไอ้ของที่เรามีเนี่ยมันอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราแล้ววันหนึ่งถ้าไฟไหม้น้นําไปท่วมก็อาจจะมีคนขโมยไป แค่เสียซักแค่เสียซักแต่แก่ปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงเลยเสียสักไม่หาใหม่ได้ถ้า ม, มีแต่ปัญญาเียคือนีเงินทหลักคูปองหา ไ, ไ, งไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วเนี่ยต่อไปเสียของเสียสักเราก็จะเปคืนทุนกังใจไม่ถ นี้เราได้กําไรเสียทรัพย์แต่ว่าสติไม่เสียความสุขก็ยังอยู่และฐานได้ปัญญาอันนี้เราได้กําไรเจออะไรไม่สบายต้องจิตใจเป็นอย่างไรที่เจอได้ร้ายนี่ยแต่ใจนีนอกจากไม่ทุกข์แล้วยู่ได้ประโยชน์จากมทุกตาก็ได้ประโยชน์ แม่ชีคนนึงนะที่วัดถ้ำคอทองเพีนสมัยหลงปู่ขาวอนาโยมีชื่อเียงม่ชีคนนี้นชื่อม่ชีสาแม่ชีสานี่ยโรงแรมประธานท่านเองดีมากแล้วก็ปฏิบัติธรรมดีก็ม่ได้เวลาปฏิบัติธรรมคนไหนเพราะประธานท่านเอนี่ก็ใช้เวลาย ที่จริงปัรเนี่นนแะแกก็ปฏิบัติธรรมเป็นตัวเ้ยในสามัการมีทีที่ปฏิบัติธรรมเป็นตัวนะทครัวนะไปอยู่ในัวก็ปฏิบัติธรรมปฏธรรมเป็นคัวนผ้าลังให้ึกษานี่ก็ดูแลพระเนดีแล้วก็ปฏิบัติธรรมดีู่หลวู่ขาวก็โชวแต่วันนี้หลวงปาวเรียกพระสองรูป ม, มามาทาไม ท่านสั่งให้ไปดา่าไม่ชี้สาทั้งสองรุ่นนี่งงๆนะแต่ครูบาอาจารย์สัก็ต้องฟังไปที่จุดอีไม่ชี้าเรียกมาแล้วก็ดา่าผัดกันดา่ดาด่าคนเดียวไม่พอต่างสองคนนะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะด่าเลยคนให้ชี้สาแก่แกก็ปกติแกก็ไม่เงินให้ ด, าด่าหรกแต่พระท่านก็หาเรืออ่องด่ากันได้ ได้สีสาที่แรกก็งงนะแต่ว่าพอตั้งสติได้ก็เป็นอยั่ด้วยความวิกเส ม, มิพอตั้งสองท่านเนี่ยดาจบไ้ชี้สาแที่จะโกรธแทนที่จะ้อยจะต่างใจว่าอุบาอาจารย์ว่าเรอย่างนี้เราสาธํงความดีิงในคุณบาอาจารยควา ม, มิงของเราไม่ใช่สามทาี่เลยแต่ไม่คิดวนี่นะถ้าคุณเขารู้ว่าเรากรคุบาจ า, ดารด่าเมื่อไร่จะรับสุขวัติเท่าไหร่ไม่มีนะ ถ้าแกคิดแบบนี้นะแกทุกยังไงเมื่อคนดีหลายคนก็ทุกเขาคิดแบบนี้ใม่ทิาไม่ทุกแม่ทิสาไม่โกรธพอพจจ ร, ส ร, พระสง์ดาจกแม่ทิศาพูดมาว่าทนายการดาจกแล้วเลอะทิศสามมสราพซืใจเดืเกินเสียบาเสียงดาเเสียงธรรมะเรื่อๆเลยคราวนาท่มมาดาใะมรไนหะ กีเรี็นที่ได้หมนสักทีไม่สาฉลาดนะถือว่าคำดาจะเป็นเครื่นสุดทีเป็นเครื่องลดร่างออกตากมานน่าทิ่งสอันนี้เราดูจากใช้ประโยชน์ไม่สาบก็เห็นว่าคำดามันก็เป็นธรรมดาโลกทำดีแค่ไหนเพื่อได้พูดคำดีมาสารดินาบวาลา แล้ในการเห็นความจริงสําคัญเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเห็นความเที่ยวพิยานเนี่ยมันจะทุกข์มันไม่เที่ยงความสือ่อมความวิบัติความกรรโชกความาทุกข์ยากเป็ธรรมดาโลกถ้าราเห็นความจริงแบบนี้นะครับใจเราก็จะเป็นสุขจิตก็จะสงบเย็น แล้เวลาปฏิบัติธรรมนี่เาวัดองไรอย่ามาเอาแต่รู้นะต้องฝึกจิตให้หนึ่งรู้ทันความคิดเห็นอารมณ์ที่มันปึกที่มันมีใจสองเห็นความจริงในสิ่ิดค่ำ จนกระท่านใจไม่รู้ว่าีอะไรมากระทบกันบ้าเวลาตกก็เอาพูดมาสมควรแล้วนะในป่วยเวลาที่สักถามบ้างเพราะว่าที่พูดมาสองช่วงมันตรงกับใจกันมาหรือเปล่าหรือตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ถ้าใครมีคาถามก็เขาเชิญได้ เราจะมีวิธีจัดการสภาพที่เปลี่ยนแปลงทั้งที่พยานกรู้แต่เไนของคทำอาจจะยังไม่ยังไม่รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพียงพองข้อแรกเลยนะคือพอเหตุการณ์ที่เราเชื่อมันเป็นลบอะนะใจมันเป็นทุกข์ เราเห็นตรงนี้ไหมเราเห็ความรูม้ความกังวลไหมนะอันนี้ข้อแรกเลยต้องเห็นก่อนต้องรู้ทันวันนี้กําหนดรู้เรากำหนดรู้ไม่ทันเรามีเราไม่มีสติทันข้อสองเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองนะเหตุร้ายเนี่ยนะมันต้อมีดีในตัวและมันไม่ใช่แค่มีเหตุร้ายในชีวิตไอเหตุดีๆก็มี ในชีวิตเราเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรอย่างเกิดขึ้นเหตุร้าก็มีแต่เหตุดีก็มากนะบางคนในเห็นแต่เหตุร้ายเห็นดีไม่เห็นและสอในเหตุในเหตุร้ายเนี่ยมันก็มีข้อดีผมจะเทตมายกตัวอย่างนะเสียขาถูกน้ําท่วมนะถูกดา่าไอ้พู้นี้มีข้อดีมีประโยชน์แต่มันไม่มีแต่คนดา่าเรา คนที่ชมก็มีเห็นต้องหรือเปล่าใช่เราไม่มีแต่เสียงเดียวไอ้ที่ได้ก็มีเห็นต้องไหมบางคนเนี่เห็นแต่เหตุร้ายเนี่ยอันนี้เือเรื่มมองรลกมีครูคนหนึ่งน่าจะเป็นครูชั้นประผมเช้า ว, วันหนึ่งแจกก็ชู ก, กระดาษแันหนึ่งขึ้นมากระดาษแผ่นนี้เนี่ยเป็นกระดาษปล่าแต่มีกา ร, กรา์ตูน ดูตรงมุมขวาเขถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนบอกเห็นกากระบารสีดำครับครูถามว่าเธอเห็นอะไรอีกไหมนักเรียนบอกไม่เห็นอะไรเลยครับครูเลยถามแน้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษในกระดาษนั้นมีทั้งกากระบารสีดําแล้วก็กระดาษร่างสีขาวคนที่เห็นกากระบาดเนี่ยคือคนมองลงคนที่เห็นสีขาวกระดาษด้วยก็คือคนที่มองอู่ ชีวิตเราเนี่ยประสบการณ์เราในแต่ละวันเนี่ยหรือในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกระดาษแผ่นนั้นอ่ะในกระดาสีดำก็มีสีขาวก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ยมันไม่มีแต่เหตุร้า ย, ยามันมีเหตุดีด้วยนะตัวอย่างหนึ่งนะอาตมาคิดว่าชัดมากนะรู้จักซิกโก้ไหมซิกโก้ซิกโก้เนี่ยเป็น พรทีมชาติตอนนี้คุณตอนที่แอดีไปแล้วสมัยที่แกเป็นนักเตะแกดังมากเป็นซุปเปอร์สตาร์ผล ง, งานดีจนกระทั่งได้รับเชิญให้ไปค้าแข่งที่สิงค โ, โปร์บาเลาเียเวียดนามแล้วก็ประสบความสำเร็จได้แชมปในประเทศทุกประเทศแล้ววันหนึ่งสงโมสร อ, อังกฤษ ดีไปชั้น1ก็ไปช่วยตัวแกไปค้าข้างเทียมฝึกโอ้ยคนไทยเนี่ยตอนรับข่าวนี้ดวกความดีใจเมื่อ 16-17 ปีที่แล้วเพราะว่าจะได้เห็นนักฟุตบอลไทยลงสนามังกและนี่ก็คือความฝังสิบโคแต่ปรากฏว่าตัวแรกจนลอดก็ไม่เคยได้เล่นเลยนั่งอยู่ข้างสนามเป็นตัวสำรองสุดท้ายแกก็กลับเมืองไทยและแกรู้สึกว่า มันเป็นประสบการณ์ที่แย่มันเป็นความสูญเปลา่าแช่ไหมไม่ได้ลงสนามใครมาถามเรื่องนี้แกก็ไม่อยากตอบเดี๋ยวนั่ผ่านไปหลายปีมีคนถามเรื่องนี้คราวนี้แกยิมนะเดีวบอกไม่มีอะไรเลยผมแค่มองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เห็นยังไงบอกว่าแปลงกษจกานมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถได้ภาษา ได้พัฒนาร่างกายได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เจอคนหลากหลายได้ท่องเที่ยวได้สัมผัสลิ่งที่มีสีสนันในนโลกเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นตอนนั้นแกทุกข์พรแกเห็นแต่เสียคือไม่ได้เล่นแต่แกมองไม่เห็นว่าแกได้อะไรมันอยู่ที่มุมมองใช่เรานี้เวลาบอกว่าเหตุร้ายอะ่ะมันไม่จริงหรอกไอ้เหตุนี้ก็มี และในเหตุไลเนี่ยก็มีของดีซ่อนอยู่นะบอกให้เห็นความจากความป่วยก็สอนธรรมะได้นะเป็นของดีเหมือนกันส่วนใหญ่คารวาเราก็ให้ทาน และเขยบมาหน่อยแล้วก็ให้รักษาศีลนะก็ควรจะภาวนาด้วยพราพระรบาจะภาวนาได้ภาวนาก็ฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตยังไงก็อย่างที่มาบอกนะฝึกให้รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดเห็นความคิดเห็นอารมณ์ใมันเกิดขึ้นมาไม่ว่าดีหรือร้ายนะของพวกนี้อ่ ไม่ใช่พระที่ทําได้คาระวะก็ทําได้แต่ว่าแต่ผู้ใหญ่เลยเด็กก็ทําได้อาจารย์ประสงค์ปริพุนโนท่านเคยเล่าไปเคยไปเจอเด็กอายุ8ขวบเป็นผู้หญิงเด็กเขาไม่ฉลาดคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าท่านก็พอใจให้ว่ห์หนูเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีหลวงพ่อจะให้รางวัลหนูหยิบรูปประคดึงมาจากย่าน เด็กเห็นเด็กก็ร้องููจายประสงค์ถามรูร้องอูู้ดูเห็นอะไรเด็กตอบว่าอย่างไรเด็กอว่าดูเห็นข้างในมันดีใจกว่าตาของเด็กเนี่ยเห็นรูปประคมแต่สติเนี่ยนะมันเห็นความดีใจส่วนใหญ่เนี่ยตาเห็นรูปประคม หือเห็นโทรศัพท์เห็นเพืนนินดินดาแต่ใจหรือสติเนี่ยไม่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความดีใจสิ่งที่เด็กต่อมาคุณเหน็นข้างน้ามัดีใจเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ตจะมาพูดไปเมื่อสักครู่มีสติเห็นความเคลือ่อนลอารเด็กไม่ไดตอบว่าหนูดีใจนะเด็กตอบว่าหนูเนข้าง น, านา้ามัดีใจพูดสนใจเนี่ยพอมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไปเป็นเลย ดูความเขียนว่าเนี่ยเขาไปเป็นมีความโกรธก็เป็นผู้โกรธมีความเศร้าเป็นผู้เศร้ามีความดีใจเป็นผู้ดีใจสิ่งที่ควรทำคือเห็นความดีใจเห็นความเศร้าเห็นความโกรธและนี่แหละคือสิ่งที่เด็กคนนี้จะทำแตกความนะดูเห็นข้างนํามาดีใจนะอาจารย์ประสงค์ถามต่อว่าลู้อเขาทำไงกับมันแต่กตอบดี ดูแม่ทําอะไรกับมันค่ะดูแค่ก็แค่ดูมันเฉยๆตอนนี้ข้างในสงบลงแล้วความดีใจนลดลงแล้วอันนี้แหละคือที่หลวงพ่อสอนหลว่อห้องเขียนสอนคือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆแล้วคือดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับมันไม่ต้องไปกดคมมันนะไม่ต้องไปไปไปไขว้ค้าแค่ดูเฉยๆคารวะทําได้ทําอย่างเนี้ยนะ ฝึกใจฝึกสกติให้เห็นความทีและอารมณ์ฝึกใจให้เห็นความจริงนะสองอย่างเห็นสองอย่างเห็นอย่างแรกเห็นความทีและอารมณ์เห็นด้วยสติเห็นความจริงเนี่ยเห็นด้วยปัญญาเอาแค่นี้เนี่ยเรียกว่าช่วยได้เยอะเลย ทำเล่น่นไปอ ย, อย่าพยายามมากเพราะถ้าพยายามมากเนี่ยมันจะไปกดขม่มมันจะไปดักจ้องความคิดมันจะไปเฝ้าเลยนะแล้วจะเครียดหลายคนเนี่ยเจอไปเนี่ยนะใจไม่อยู่ปัจจุบันนะใจไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวนะใจมันไปเพ่งมันไปเฝ้ามองจิตว่ามันจะคิดเมื่อไหร่เพราะว่าอยากจะให้จิตสงบความคิดออกมาเมื่อไห ร, จไร่จะไปขัดขับจะไปกําจัด สิ่งที่เป็นอุปสรรคันกาปฏิบัติคือความยาบจิสงบนนะเพราะนั้นพอมีความที่คุ้มสร้างเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งจะไม่ชอบสองพยายามกดค่มสามันคับจิตไม่ให้คิดและทั้งหมดนี่จะทำให้เครียดแล้วก็ท้อแท้เพราะทำเท่าไหร่ไม่สำเร็จนะให้ความคิดมันเกิดขึ้นตามปกติเราเพียงแค่รู้ทันมัน นะให้โจรเข้าบ้านก่อนค่อยไปรูป้ทักไม่ใช่ไปดักดูดักจอ้จองดักจ้องอยู่หน้าประตูว่าเมื่อไหร่โจรจะเข้ามาไม่เป็น อ, นอะไมอะทั้งทั้งวันเนี่ยนะเอาไปดักจ้องอยู่หน้าประตูว่ามันจะมีวิชาชีพมีโจรเข้ามาไหมทํางั้นเนี่ยเราไม่เปทำอะไรแล้วก็ทำแล้วเราไปทำครัวไปอาบน้านะอาบน้าหรือว่าจักบ้านกวาดพื้นโจรเข้ามา ถึงค่อยมาเห็นมันนะอันนี้แหละทำถ้าทําเล่นๆเนี่ยไปเรื่อยๆจะทำได้นานอย่ารีบนะสมัยนี้ทําอะไรก็อยากจะให้ผลเร็วต้องรู้จักคอยถ้าเราทําเล่นๆนะเราจะทําได้นานถ้าเราทรําด้วยจิตที่มันอยากได้อยากเอานะมันจะทําได้ไม่นานประเดียเด๋ยวก็เลิกละเพราะว่าหมดหวังเพราะว่า พอแท้่ต่อไปนะคะการเรียนู้ากการมื่อรรกา์กตก้ากและอ่ื้ะถ้าเราจะปฏิบัติรู้ว่ากก่อนจจท่ตอางไรู้ก่อนไม่ได้หรอกใมันเกิดขึ้นก่อน เขารียกว่าตามรู้ตามรู้คือรู้ตามหลังนะอย่างที่เรามาบอกอยจะไปจ้องก่อนมันยังไม่เกิดก็จะมันยังไม่เกิดก็ทําก็อยู่กับปัจจุบันไปทาแล้วก็ทําไปกว่าแล้วก็ไปรู้ทันใหม่ๆเนี่ยกว่าจะรู้ทันก็กว่ไปเรียบร้อยแล้วพูดไปเรียบร้อยแล้วด่าไปเรียบร้อยถึงค่อยค่อยรู้แต่ต่อไปมันจะรู้เร็วขึ้นนะ มันจะรู้จนกระทั่งว่าพอเกิดปุ๊บรู้ปั๊บนะแต่ว่าจะถึงตรงนี้ได้มันต้องปฏิบัติทำบ่อยๆนะแล้วก็ตัวช่วยหนึ่งนะก็คือว่ามาดูกายนะเวลาโกรธเวลาโกรธนี่กายมเป็นยังไง ร, รู้ไหมสังเกตไหมกายเป็นยังไงฮะ อ่าฝึกมารู้กายมากที่จริงรู้กายง่ายกว่ารู้จิตนะลวมหายใจเป็นยังไงตอนโกรธหัวใจเป็นยังไงก้ามเนื้อเป็นยังไงฮะเป็นยังไงก้ามเนื้อมือเป็นยังไงอ่าอันที่สามมันจะเป็นเกรงหน้าบึง้งริมที่ปากแม้มือที่ปากนะ ลองสังเกตดูบ้างมันง่ายกว่าไปรู้ใจนะเพราะว่ามันเป็นรูปธรรมใมไมเนี่มารู้กายก่อนมันจะช่วยลดความปวดไปได้เยอะแต่ใบไม่มนะมันรู้ต้องรู้ต้องรู้ทีๆความปวดถึงจะสงบเหมือนกับรถที่มันแด่นเร็ว แต่เบรกเราไม่ค่อยดีแต่เบรกครั้งแรกเนี่ยมันไม่อยู่หรอกมันนีะกระชากต่อไปต้องแตกครั้งแตกครั้งแตกครั้งจนกระทั่งมันหยุดนิ่งสนิทนะไม่ไม่เนี่ยสติเรายัง อ, อ่อนบางโกรธยังแรงเหมือนกับไฟเนี่ยกองใหญ่สติเราเหมือนกับน้ำํำปืนฉีดน้ํา กองใหญ่ไฟกองใหญ่แต่เอาปืนฉีด น, น้ำยิงเนี่ยมันดับนะไม่ดับต้องฉีดไปบ่อยฉีดไปบ่อยอยมันก็ฟูลงฟูลงใชนะะ่ไหมไมายหมายไปนเงี้ยลายครหลายครูบอกทไมรู้ว่าโกรธแต่ทำไมทไมรู้ว่าโกรธแต่ยังโกรธอยู่เพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละน้ำน้อยแพ้ไฟมาก จะว่าเห็นไม่จริงก็ใช่นะอีกเหตุผลหนึ่งนะก็คือว่าใจเนี่ยมันไม่ได้รู้สื่ อ, อไม่ได้เห็นเฉยๆมันมีความรู้สึกที่เจือปนอยู่ในนั้นคือความรู้สึกไม่ชอบความโกรธมันมีความสึกนะลบต่อความโกรธไอ้ควา ม, มรู้สึกเนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยยามติดข่มความโกรธและ ถ้าเราไปกดมันเมื่อไหรเนี่ยมันก็ยังมีแรงต้านแรงกดเท่ากับแรงต้านเปรียบเหมือนกับว่าเราเอาน้ำล่าใส่กองไฟแต่น้ำเนี่ยมันดันไม่ใช่น้ํำบริสุทธิ์มันมีน้ํามันถ้ามันมีน้ํามันเนี่ยล่างไปเนี่ยนะมันไม่นะให้มันดับนะนก็ไม่ดับเวลาเรารู้เราเรบอกว่าเราเราเชื่อเราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นด้วยจิต ด้วยสติบริสุทธิ์มันมีความรู้สึกลบต่อความโกรธอันนี้เรียกว่าไม่ได้รู้ซื่ อ, อมันจะมีความพยายามไปกดขมมันเอาไว้แล้วพอเห็นนั้นเนี่ยจริงยังโกรธต่อไปเหมือนกับลากน้ำมันลาดน้ำเจือน้ำมันลงไปในวองไฟไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ จริงๆนะผพุทธเจ้าตรัสว่าเรามีกรรมของของตนนะเรามีกรรมของของตนไหมครับว่าภาษาชาวบ้านคือกรรมไทรกรรมปันใช่ไหมถ้าลูกเจ็บป่วยเนี่ยไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นข้ออะไรเนี่ยแม่อยากจะเอาความปวดของลูกไปที่ตัวแม่ก็ทำไม่ได้ใช่ไหม ลูกปวดยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถเอาความปวดของลูกเนี่ยมาไอ้ที่ปวแม่ได้สัญญาิสํญญาณวิบากกรรเหมือนกันนะถ้าลูกกาลังรับวิบากเนี่ยแม่รักลูกยังไงก็ไม่สามารถจะลดไม่สามารถจะเอาวิบากของลูกเนี่ยมามาให้มามาสื่อตัวแม่ได้สิ่งที่แม่ทําได้คือช่วยทําให้ลูกเนี่ยมีความเข้งแข็งมีความอดทนแล้วก็มีความฉลาด ในการรับมือกับวิบากแทนที่จะปล่อยให้วิบากมันได้งนานเราก็ใช้ประโยชน์จากวิบากนะั้นเช่นจะป่วยนะหรือว่าถูกครูลงโทษวิบากนี่มันดูน่ากลัวนะเด็กไม่ทํากำบ้านเด็กถูกครูลงโทษเนี่ยเด็กรับวิบากแล้วใช่ไหมเด็กทุจริตครูตัดคะแน น, นเด็ก เนี่ยเด็กก็พ่บากล้วถามว่าดีไหมถ้าเด็กมองให้เป็นมันดีนะเด็กก็จะรู้ว่าอ๋อเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองนะต่อไปเราต้องไม่พูดจิริตใ น, ใ น, ใ, นในห้องสอบเลยต้องขยันทำงานบ้านเราต้องรับผิดชอบต่อการกระทของเราเองจะไปร้องให้แม่ช่วยไม่ได้ เพราะถ้าแม่ช่วยเนี่ยต่อไปเด็กก็ได้ใจใช่ไหมเนี่ยสอนเด็กเนี่ยว่าวิบางสอนอะไรลูกบ้างใช่ไหมเด็กขับรถขนองรถคว่ำขาหักนี่เด็กก็วิบาแล้วนะก็ให้แม่เนี่ยช่วยให้เด็กเห็นว่าต่อไป อย่าประมาทให้เด็กหาประโยชน์จากวิบากนี้นะมันดีกว่าเยอะเลยา ว่าเนี่ยมาว่าทำํำจุลสติง่ายๆนะเพราะจุลสตินี่ทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนลงตื่นนอนขึ้นมาเก็บที่นอนก็ให้มีสติล้างหน้าก็มีสติหูฟันก็มีความสุขตัวนะทำครัวก็มีสติหลักการจรุลสติง่ายนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่น ตัวอยู่ในห้องน้ําใจก็อยู่ในห้องน้ําไม่ใช่ตัวอยู่ในห้องน้ําแต่ใจเนี่ยไปอยู่ที่โทรศัพท์มือถือนะอยากจะเปิดไลน์อยากจะไปเช็คข้อความในโทรศัพท์มือถือเวลที่กลางอาบน้ำอย่างเงื่อนตัวกับใจอยู่คนที่แล้วนะทาทัวร์ตัวอยู่ในตัวใจอยู่ในทัวนะไม่ใช่ไปอยู่ที่ทํางานแล้วว่าเดี๋ยวจะประชุมตอนเชาน้าจะเอาอะไรไปเสนอ นะผู้ยานตวัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นผูย้ยานนี้คือทํำทีละอย่างอาบน้ําก็อาบน้ำอย่าพึ่งไปที่เรื่องอื่นทําครัวก็ทําครัวอย่าพิ่งไปที่เรื่องงานอย่าพิ่งไปที่ว่าจะทําอะไรข้างหน้านะเนี่ยง่ายไหมตวัวอยู่ไนใจอยู่นั่นทําทีละอย่างนะอย่าพิ่งไปทําหลายอย่างพร้อมกัน นะทำครัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำครัวใบใจคิดหน่นคิดนี่ทำทีละอยางนะใจอยู่นนเนี่ยเรียกว่าใจอยู่กับปัจจุบันมันเป็นการเจริญสติที่ทําได้ทุกทุกเวลาทําได้ในทุกเรื่องอาจจะทําได้ยากนะตอนใช้ความคิดตอนทํางานอาจจะใช้ความคิดเนี่ยใจมันอาจจะลอยอไม่เป็นไรแต่ว่าสุดปลายสปนานานเนี่ย เราก็จะคิดอย่างมีสติได้เวลาคืยกับลูกเนี่ยเวลาทำงานใจก็อยู่ัำงานหลายคนเนี่ยเวลาทำงานนี่นะก็นึกถึงลูกพอที่ถึงลูกไปานงก็ไม่มีความสุขทำงานก็ทำงานได้ไม่ดีเพราะไม่มีสมาธินะเวลาทำงานใจนึกถึงลูกเวลากลับมาบ้านเจอลูกใจมีนึกถึงงาน แปลกไหมเวลาทํางานใจนึ่ถึงลูกเวลาอยู่กับลูกใจนึกถึงงานเวลาจะนอนก็นึกถึงงานแต่เวลาไปทํางานก็่งนอนใช่ไหมแกง่ายทีเดียวเวลาทํางานใจอยู่งานอย่าเพิ่งนึกถึงลูกเวลาอยู่กับลูกก็อยู่กับลูกแต่ใจเต็มร้อยพื่องนึถึงงานมันจะส่งมาทางลายยังไงก็อย่าเพิ่งไปคิดอย่าเพิ่งไปกังวลเวลานอนนอนเวลาทํางานทํางานนี่แหละจุลสติ ง่ายไหมใช่ไหม ถ้เราคิดวางแผนก็ควรจะวางงานอื่นให้หมดแล้วก็คิดวางแผนพระเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงเอยด้วยอะไรและไม่ถึงพรมถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงหมายถึงว่าไปคิดถึงอดีต ด, ด้วยความหลงไปนึกถึงอนาคตด้วยความหลงอันนี้ไม่ดีแต่ถ้าตั้งใจคิดคิดอย่างมีสติได้แม้จะเป็นการวางแผน ในทางธรรมะเนี่ยเราเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันเวลาเราคิดถึงงานคิดถึงเวลาเราวางแผนนะและใจอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันนะเวลาเราทางนานเสร็จเราสรุปผลงานเรามาประเมินผลงานย้อนกลับไปว่าเราทำอะไรดีทำอะไรไม่ดีถ้าเราทำถ้าเราคิดจะมีสติได้แต่ไม่ใช่ใจเผลอไปคิดโดยไม่รู้ตัวอันนั้นไม่ถูก มาปฏิบัติธรรมอยู่กับลูกก็คิดถึงงานอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมแลว่แล้วกาในจในตควาใจอ่ที่เจ้าแนะนำคืออย่าไปหลงคิดในอดีตอย่าไปหลงติดอยู่ราดาคตแต่ถ้าคิดอย่างตั้งใจหรือว่ามีสติได้ ก็ทำใจให้เหมือนตัดถอนก้นรั่วนะให้เตือนใจเสาหว่าความทุกข์ของเขาไม่ใช่ความทุกข์ของเรานะเราใส่ใจนะแต่ว่าเราต้องเตือนใจอยู่เสมอว่าอย่าไปเอาความทุกข์ของเขามาเป็นความทุกข์ของเราเข้มาเวลาเราอินลงไปเนี่ยจนปด บ, บูจนเศร้าจนโกรธเนี่ยนะให้มีสติรูท้ทันสะประกอบแกวมา ค น, คนจำนวนคนอื่นไม่น้อยเนี่ยชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นความทุกข์ของเราเรื่องของคนอื่นเนี่ยไม่ใช่หมายถึงความทุกข์ของคนอเท่าน้นะความไม่เดีของคนอื่นก็เอามาเป็นปัญหาของเราเนีเวลาเราช่วยเหลือใครทําดีกับใครแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราหลายคนจะโกรธหลายคนจะจะโมโห ว, ว่าเราช่วยเขาทําไมเขาไม่สํานึกในความุกของเรา อันนี้แสงว่าวางใจผิดแล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่สมนุนิคมของเรามันก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปัญหาของเขาเป็นกรรมของเขาอย่าเอามาเป็นปัญหาของเราเราทำดียังไงไม่มีคนเห็นเพื่อนไม่เห็นเจ้านายไม่เห็นมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราใช่ไหมทำไมต้องมาทุกข์กับปัญหาของคนอื่นด้วย ถ้าคนไม่ชอบเรามันก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมเขาไม่ชอบเราเขาก็ทุกเองอเขาเกลียดเราเขาก็ทุกเองอย่าเอาความอย่าเอาเรื่องของเขามาเ ป, ป็นัญหนาของเรานะ ก็ ร, รู้ทุกอยงเฉยไม่ต้องไปกดกลมมันนะ เชิญที่ายการแอะไรอถว่ากการสที่จะลดการีเรู้นากทีแรกเราก็เห็นคือการจอส่กุการมารู้กายรู้ใจใช่ไหม ก็เห็นกายเห็นใจเห็นอารมณ์ว่ามันมีอยู่อารมณ์กุศลอารมณ์อกุศลต่อไปันจะเห็นธรรมชาติของอารมณ์เหล่านั้นเห็นว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเห็นว่ามันมีแล้วก็ดับหายไปก็คือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะมันจะเกิดปัญญาขึ้นมันจะเห็นได้ว่า เห็นไปด้ว่าอ๋อมันไม่มีเรามันมีแต่รูปกับนามไอ้ที่เราเชื่อมีเราเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมามันมีแต่รูปกับนามการจุลสติจริงๆมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเพราะเวลาเราเดินตรงกรมเวลายกมือเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามมันไม่ใช่เราคิดมันไม่ใช่เราเดินตะก่อนเนี่ยพอเราไม่มีสติทำอะไรก็มีแต่เราเป็นผู้ทํา เราเดินเราคิดเราโกรธเราโมโห О, แต่พอเจรอสติเนี่ยนะมันจะเห็นว่าไอ้ที่เดินเนี่ยเป็นกายเป็นรูปไอ้ที่คิดเนี่ยเป็นนามหลวงพ่อเหน็นใช่ไหมว่ามันถลุสติมันถลุถลุเนี่ยจากเดินที่เห็นว่ามันมีเรานะเป็นต้นเป็นก้อนเนี่ยมันก็ขุกถลุงให้เหลือแต่รูป ก, กับนามมันไม่มีเรา ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วนะมันไม่มีความยึดเพราะทุก ว, วันที่เราทุกข์เขาเรียนช่วยมีเรามีเราเร า, เราโกรธเราโมโหเพียงแค่เราเห็นมันก็ไปเป็ น, นมันช่วยได้เยอะแล้วเห็นความโกรธไม่ไปผูกโกรธความโกรธยังมีอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่ทําให้ใจทุกข์เพราะาใจไม่เข้าไปยึดนะแต่พอคิดว่าเป็นเราเมื่อไหร่เราโกรธเราโมโหเนี่ยมันทุกข์มากเลยแล้วนะการเจอสติมันทาให้เห็น ความจริงขัง้นพื้นฐานว่ามันไม่มีเรามันมีแต่รูป ก, กนามแล้วก็กรูปนามก็ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราด้วยใช่ไหมก็จ เ, เห็นนะต่อไปนะเวลากายมันปวดเนี่ยมันก็เห็นว่ากายปวดแต่มันไม่มีมันไม่มีเราปวดตอนไม่มีเราปวดใจมันก็ปกติคนเวลาปวดกายนนะเราเชื่อว่าเราปวดเราปวดใจที่ยไม่ปวดใจอย่างเดียว ใจปวดด้วยขณะที่กำลังนั่งนั่งเมื่อยเนี่ยนะเราคิดว่าเราปวดขาเราเมื่อยขาส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีความทุกข์ใจด้วยเพราะมีความรู้สึกว่ากูปวดกูเมื่อยไอความรู้สึกเนี่ยมันเป็นการภูมิขึ้นมาที่เกิดจากการไปยึดว่ากายเป็นเราเวทนาเป็นเราแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะเห็นว่า เวทนานี่ไม่ใช่เราเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดมันไม่มีผู้ปวดเกิดขึ้นเพตอะนั้นมันก็ปวดแต่กายจจไม่ปวดนะมาเนี่ยมันก็มันก็ทำให้เราเกิดปัญญาเนี่ยเห็นความจริงว่าเออมันปวดแต่กายจะไม่ปวดนะซึ่งมันช่วยช่วยช่วยลดทุกข์ไปได้เยอะเลยนะเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยนะมันจะปวดแต่กายแล้วาจไม่ปวดแล้วเพราะว่าเราู้ออกมัน มันเป็นมันเป็นความทุกข์ของกายนะใจไม่เป็นต้องทุกข์ไปกับมันด้วยเห็นไม่ใช่ชี้ยกมือไม่ชียกมื อ, อไม่ใช่มีถามหรือเปล่าเปล่าใช่ไหมอ๋อยกมือ <c oughs> <c oughs> มันไปด้วยกันนะ่ะคือเอากลายเป็นพืชเอากลายเป็นฐานนะตื่นขึนมาเรียอย่างตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนนี่นะกายมันทางานนะนะเราก็รู้สึกตัวฝึกสติกับความรู้สึกตัวเวลาทําอะไรซึ่งผู้เจ้าสอนเลยนะให้ทําความรู้สึกตัวเวลาเดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเวลาเหลียวหน้าหรือว่ามองหลัง นะเวลาสะพายบารพรอมจีวอนผ้าสังคาตินิสสภานะสารวา ก, ก็เวล า, าใส่เสื้ อ, อใส่กางเกงทำความรู้จักตัทาทำาทรู้จัสุบตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มอุจจระปัสสาวะนะเวล า, ายืดขาหดขาผู้เยียดเคลื่อนไหวนะ เวลานั่งเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลานิ่งเวลาพูดทำของสุกตัวคือคนเราสินะวันวนึงนหมั น, นมีอะไรให้ทำเยอะเลยตามจิตวัตรตามนาทีก็ให้รู้สึกตัวตอนนั้นเรียกวารู้กายแต่ถ้าใจมาเผยคิดไปก็รู้ทันัตมาณนีอยากจะ คือเวลาใจคิดเนี่ยนะมันมักจะมีอะไรมากระทบเจอนัน่นเจอนี่เช่นเห็นลูปตาเห็นลู่มือได้เสียงใจก็กระเพื่อมก็อมมารู้ใจวันวั น, วนหนึ่งคนเราเนี่ยมาทำสองอย่างนั่นนะถ้าไม่ทำนั่นทำนี่ก็เจอนัน่นเจอนีน่นะคนเราในทั้งวันเนี่ยทั้งปีทั้งชาติเนี่ยมีสองอย่างทำนั่นทำนี่กับเจอนัน่นเจอนีน่ ทำเนี่ยส่วนใหญ่เราทด้วยกาย้เวลทาทำด้วยกายก็ให้มีสติรู้กายไปใช่เวลาเจอ น, นัน่นเจอนี่เนี่ยนะมันเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นมาก็ใหมีสติรู้ใจนะงั้นทำสองอย่างเนี่ยมีเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทากิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอสิ่งกระทบ ถ้าโยมทแค่นี้สองอย่างนะทำได้ทั้งวันนะเห็นกายเคลื่อนไหวเมื่อทำกิจรู้ใจคิดนึกเมื่อเจอสิ่งกระทบสิ่งกระทบก็รูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสธรรมารมมากระทบใจก็เพื่อมรู้ใจถ้าไม่ถ้าใจมันเฉยเฉก็รู้กายถ้าใจกระเพื่อมก็ไปรู้ใจ เพื่อจหาัตว์ากกุกมเชื้อละบัสุขเจรนีวัน้มาะันนะในขณะนีก็นังไม่รู้ผลลัพธ์เ่นกันาจะคนหาสารที่ไะทให้กดกรจ้ขันโมทนาทุกท่านที่ได้มา ปฏิบัติธรรมที่นี่นะกอ็อย่างที่ตมาบอกนะว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราทุกคนอีกแล้วไม่ใช่ของประชิดของพระนะแต่ว่าพวกเราคารวะก็ควรทําด้วยเพราะเราทุกคนก็ไม่อยากมีความทุกข์ตอนนีเน้เงินทองก็ช่วยทําให้เราไม่ทุกข์กายนะเรามีเงินทองที่ช่วยทําให้ทุกข์กายน้อย แต่ว่าทุกใจยังมีอยู่ถ้าเราเรับผิดชอบกับชีวิตของเราก็ต้องดูแลใจไใมใ่ทุกข์ด้วยแล้วดูแลใจไใมใ่ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเงินทองเนี่ยมันจะช่วยได้คนรวยก็ยังทุกข์ใจอยูนะ่แล้วเรามีเงินมากกว่าเมื่อก่อนสิบปี20ปีที่แล้ว เ, เรามีเงินมีรายได้มากกว่า อ, อดีตก็ไม่แปล ว, ว่าเรามีความคุ้มน้อยลงในแง่ด้านจิตใจ แต่ว่านะความทุกข์ใจันจะลดลงได้นะถ้าเรารักษาใจให้ดีนะอย่างที่ตมาบอกนะ้วเจออะไรใจก็ไม่ทุกข์ถ้าเราฝึกนะให้มีสติมันรู้ทันความคิดเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งกายทั้งใจ คารที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราความจรงที่เกิดขึ้นกับคนรักของเราพวกนี้ทําให้เกิดปัญญาเชื่อเชื่อรักษาใจเราให้ทุกได้ถึงแม้ว่าการกระทุกถึงแม้ว่าจะสูญเสียพระครากรตาก็ฝากเอาไว้นะ การจรลสติในรูปแบบของกัทเทียนก็มีสองทีเดียวบทใหญ่ๆนะทีเดยวบทหนึ่งเป็นทีเดยวบทในท่านั่งนะนั่งเนี่ยนั่งทุกทาเอาม่ไนั่งนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียร์นั่งบนเก้าอี้ได้ทั้งนั้นจะนั่งในท่าไหนก็แล้วแต่ขอให้นั่งในท่าที่ผ่อนคลายสิ่งสําคัญอยู่ที่ใจที่มันสบายนะ วางมือไว้บนเข่าข้อสายตาไปพอประมาณไม่ต้องปิดตานะการเดือดร้องร้องทเรียไม่ปิดตาเปิดตาเป็นธรรมชาตินะวางรูปบนเข่าเสร็จแล้วเราก็เริ่มตั้งมือขวาไว้บนเข่านะแล้วเราก็ยกมือเอามือขวาไว้ที่ท้องมือซ้ายตั้งบนเข่ายกเอามือซ้ายมาประกบที่มือขวาเลื่อนมือขวามาที่หน้าอก หายออกวางมืเข่าประกบมือซ้ายวางไว้บนหน้าอกหายออกบนเข่าประกบขวาตั <so> ้งขึ้นยกมาที่ท้องซ้ายตั้งขึ้นยกมาที่ท้องฝามาที่หน้าอกหายออกลางมนเข่าประกบมือซ้ายเร่องเอาไว้หน้าอก หายออกความเข่าสะกดขวาหน้า อ, อกท้องซ้ายท้องหือขวาหน้า อ, อกเผ่าห น, หน้า อ, อกหายออกเข่าือขวาตัหว่างที่ทำเนี่ยใจไม่กลไปเพ่งที่มือนะแค่รู้สึกตัว รู้สึกไปทั้งตัวนะแต่ว่าการเคลื่อนที่มือมันจะชัากว่าที่อื่นไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับแค่รู้สึกตัวหรือรู้สึกว่ามือเคลื่อนหลวงพ่อทำหลวงพ่อเทียนเนี่ยใช้ว่ารู้สึกรู้สึกถ้าใจอยู่ในกระตัวเมืหลังก็จะรู้สึกว่ามือเคลื่อนนะแต่ถ้าใจลอยเนี่ยนะ หรือใจหลงเนี่ยไม่รู้สึกหรอกเ้อมือกำลังยกไม้เนี่ยก็อดเพ่งไม่ได้นะหลายคนก็จะไปเพ่งเอาจิตใจเพ่งที่มือหรือไปจ้องดูความคิดเพราะไม่ชอบความสงบที่คือหลวงพอเทียนเนี่ยไม่ได้ห้ามความคิดนะ ให้ความคินเป็นอิสระแต่ว่าเรามาฝึกรู้ทันความคิดแทนแทนที่จะไปลดความคุ้นซนก็ไปเพิ่มสตินะต่างกันตรงนี้นะบางวิธีนะก็จะพยายามลดความคุ้นซนแต่ว่าโมเทียนี้ที่จะใช้วิธีเพิ่มสติเพิ่มความสุขตัวให้มากขึ้นใจจะฟุ้งก็ช่างมันใจันจะหลงก็ช่างมันจะให้ให้รู้ทันเลยก็เลย คนาคนไม่พอใจก็ไปพยายามไปกดไปห้ามความคิดไปบังคับติดไม่ให้คิดไปเพ่งอันนั้นก็จะเครียดอันรวิธีนึงก็คือถ้าเดินนะเดินนี่ก็เก็บขาไอเก็บ เก็บมือไว้ปาดอก ป, ป้ายแขนจะปล่อยแขนสบายๆก็สายตาไปข้างหน้าจะี๋ไปมองอนี้หลือกลงนี้ถ้ลตรกลงนี่จะเพียดมองไปนี่ดวใจลยอยก็สายตาพอประมาณก็เดินสบายๆ